พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่13โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีงอนเป็นวันที่23า มิถุนาพุทธศักราช 2,554 แต่ถ้ามาพวกเราเห็นว่าท้าววนวัตถุเนี่ยเป็นเครื่องจะไปสร้างทำไมจะไปส่งเสริมทำไมทำไมไม่เอาทมใช่ทมนันเลิศประเสริฐที่สุดถูกต้องที่สุดคือทอแต่เหมือนกับเราอยากจะได้ต้นอยากจะได้ แก่นไม้มาทำศาลาของเราเนี่ยเออเอาทําไม้เปลือกเอาทําไม้กัะพี้ทำไมไม่เอาแก่นเอาแก่นมันมาทำศาลามาใช้ประโยชน์ใช่ถูกต้องเออต้องเอาแก่นมันมาทำแต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นแก่นมานั่นน่ะมันไม่ใช่เปปลูกพลกพลาจะมาเป็นแก่นทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะเออมันก็ต้องเป็นหลากแก้วหลากฟอยมันต้องมีเปลือกมีกะพี้ มันจึงสร้างแก่นขึ้นมาได้นี่ก็เหมือนกันก่อนที่จะมีทรรมในจิตใจก็ต้องมีเริ่มต้นตั้งแต่ทานศีลภาวนาน่นะตั้งแต่ตนทำตนให้เป็นคนดีได้รับการศึกษาศึกษาซะก่อนทาคนไม่รับไม่ได้รับการศึกษารู้จักผิดรู้จักถูกแล้วจะเป็นคนดีไม่ได้ต้องได้รับการศึกษาซะก่อน วนนั้นนะค ร, รับการศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาอย่างไรถ้าเราจะศึกษาเรื่องพระพุทธาศาสนาเราจะหาทางพ้นทุกตามแนวแถวของพุทธะเราก็ควรจะศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าพาดําเนินมาอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นท่านทําอย่างไรเนี่ยเราต้องศึกษาต้นต่อในเมื่อเราศึกษา พุทธประวัติศึกษาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ศึกษาพระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนอย่างไรท่านมีจุดมุกหมายอะไรจุดสูงสุดของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรอันนี้คือพระธรรมคาสอนนะจจากนั้นก็เราก็ศึกษาพระสงฆ์พระสงฆ์ที่นําพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราฟังเนี่ย ถูกต้องไหมเป็นศีลเป็นธรรมไหมแล้วก็เปรียบเทียบอีกเพอทุกวันมีสิ่งเปรียบเทียบตั้งเยอะแยะพระไตรปิฎกแปดหมืนสี่พันพระธรร ม, มขันนี่แหละตัวเปรียบเทียบว่าพระสงฆ์พูดผิดหรือพูดถูกพูดตามทํานองครองธรรมหรือไม่ถ้าว่าพูดผิดเอ๊ะทำไมเราก็ต้องตั้งความสงสัยจากนั้นเราก็ศึกษา เพราะเราใยในการศึกษาเราต้องพยายามศึกษาเป็นระดับระดับระดับจากนั้นเมื่อศึกษาได้แล้วศึกษานนั้บางค น, นพอศึกษาจบแล้วถือว่าการศึกษานะั้นมาเป็นสมบัติของตนเองถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเลยค่าในจบพระไตรปิฎกแล้วนะคนะ่าในเป็นปท .9 แล้วนะคนะ่านี่รู้หมดทุกอย่างแล้วนะนะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถือว่าเรารู้เราเรียนได้เรียนรู้ว่าเป็นของเราเองอันนั้นก็ไม่ถูกนะอันนั้นเพียงแต่ว่าตินเหนียวติดหัวว่าตัวมีงอนถ้าเปรียบเทียบกับคําพังเพยคนโบราณเขาก็จะพูดลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่งอนที่แท้จริงทั้งงอนที่แท้จริงเนี่ยมันต้องประพฤติ ป, ปฏิบัติอต้องลงมือประพฤติปฏิบัติ เอาจริงเอาจริงจังเมื่อได้รับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายบางคนก็ไปศึกษาสำนักมู้นบัดไปศึกษาสำนักนี้บัอ mm hmm. จนเปิดละเท้อไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนตนเองไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นหลักยิดองค์นั่นไห ว, ยงง อ, วยอย่างนั้นองค์นี้หวอย่างนี้ ผลผที่สุดมือนก็หัวตาโค้งที่ลงตามาหาบัวเปรียบเทียบไปทางนั่นก็ว่าจะดีไปทางนี้ก็ว่าจะดีผลที่สุดก็เลยตายเปล่าเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเดินไปทางไหนเพราะศึกษาองค์นั้นก็ว่าดีองค์นี้ก็ว่าถูกองค์นั้นก็น่านับถือองค์นี้ก็น่าเลื่อมใสองค์นั้นกัท่านพูดเป็นธรรม พลที่สุดเลยดูกับที่กระโดดไปกระโดดมากระโดดมากระโดดไปผลที่สุดก็เลยหมดเวลาอหัวตาโคง้งจะไปบ้านนั้นก็คิดถึงบ้านนี้จะไปบ้านนี้ก็คิดถึงบ้านนั้นอพที่สุดเขาเลยตีเพนตึงตึงขึ้นมามดว่าจะไปบ้านไหนก็ไม่ทันอไปรับเพนของเขาพลที่สุดเลยกลับวัดนี้ก็เหมือนกันพวกเราต้องคิดดูให้ดีนะ เราต้องเชื่อกูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้คือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรมายุคสมัยนี้หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ชาหลวงปู่ล่าหลวงปู่สิงทองกูบาลอาจารย์รุ่นนี้น่ะท่านสอนอย่างไรที่ท่านได้รับแนวแถว จากหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรเนี่ยละเราก็น่าจะตายใจได้ว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมานั้นพอท่านล้มหายตายจากลงไปเมื่อพระรระธานเพลิงศพแต่ละองค์กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราได้เห็นจะจับพระาธาตุหลวงปู่มั่นเป็นยังไงที่สกลคนครเป็นยังไงกระดูกของท่าน กระดูกของคุณแม่ชีแก้วที่เป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นยังไงเป็นพระธาตุเป็นแก้วกระดาษลงกระดูกอติธาตุของหลวงปู่พรมเป็นยังไงหลวงปู่ล่าเป็นยังไงหลวงปู่จวนเป็นยังไงลวดแล้วจะเป็นกระดูกแต่และองค์ถ้าหาว่าไม่ใช่พระอระหันต์แล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นในหลักธรรมคาสอนเพราะนั้นพพวกเราพอที่จะตายใจได้ว่าแนวแถวของหลวงปู่มั่น ท่านสอนอย่างไรสิทธิอนุสิ์ทางหลายของท่านจึงได้นํามาประพฤติปฏิบัติจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้พวกเราก็น่าจะตายใจได้แล้วจากนั้นก็นเราลงมือสิที่หลวงปู่มั่นท่านสอนอยังไงครูบาอาจารย์ท่านได้ทำคําสอนของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านปฏิบัติในตัวของท่านอย่างไรจากนั้นท่านก็นมาสอนพวกเราอีก อย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นไม่พอเราทำมาแล้วเราทำมาแล้วมันไม่พอมันยังหลุดออกไปได้ต้องสาทับด้วยความบริกรรมนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเฟียงซ้ายโธ มีสติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวทุกกิริยาบทเอ่อบริษัทหลับถ้ายังนอนอยู่ก็ยังหายใจเข้าพดหายใจออกโทมีสติในการบริกรรมให้ตั้งมั่นให้ใส่ใจถ้ามันหลุดไปตั้งมั่นใหม่ตั้งใหม่ให้เข้มแข็งขึ้นเอ่อย่าให้มันลอยลอยตั้งใจใหม่ตั้งใจให้มันเข้มแข็งขึ้นนี่แหละ อันนี้คือแนวแถวของครูบาอาจารย์หลวงองค์อื่ออเอนเหมือนกันห้ภาวนาพุทโธนะ อ, อย่าทิ้งพุทโธนะภาวนาอันนี้ก็คือแนวแถวหลวงปู่มั่นท่านสอนสิทญานุสิท์ของท่านถ้าว่าสายนี้คือมาแล้วก็ท่านจะเน้นเรื่องภาวนาพุทโธเป็นหลักสายอื่นเราก็ไม่ว่ากันถ้าจะศึกษาสายอื่นก็ศึกษาให้จริงจัง อ, อย่าไปเหมือนตวงตาโคง้งกระโดดไปกระโดดมา จนถึงเวลาเพลนแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเพลในต่างหากเปล่าประโยชน์นี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาธรรมะมีแต่ศึกษาไปเรื่อยๆไม่ลงมือปฏิบัติจะถือว่าการศึกษานั้นเป็นสมบัติของตนเองจะได้อย่างไรเพราะตัวเองไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็เป็นสมบัติของครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ของท่านท่านศึกษาท่านปฏิบัติ วิชาอาชีพเหมือนกับมันมีมากลากหลายผู้หนึ่งก็ขายข้าวคนหนึ่งก็ขายยางคนหนึ่งก็ขายอะไรต่อไม่อะไรสรุปแล้วก็คือได้เงินได้เงินมาในเมื่อได้เงินมาแล้วต่างคนก็ต่างบรรยายว่าข้าใเจ้าไม่ต้องทำหรอนาค่าใบเจ้าเพียงแต่ไปสอนหนังสือเท่านั้นแหละค่าก็ได้ข่าใบเจ้าก็ได้เงินเดือนแล้วเพียงพอแล้ว แต่คนเหนือข้าไม่จับไม่จําเป็นจะต้องไปสอนเอปากแปะปากแฉะเอข้าไปเจ้าไปทํางานไปนั่งอยู่เก้าอี้ดูแผนที่รางวัลที่ดินท่าเขาเท่านั้นอ่ะเป็นข้างเขาข้าก็ได้แล้วเงินเดือนคือสรุปแล้วก็คือคนหนึ่งสู้เจ้าอย่าไปทําอะไรข้าไปเจ้านั่งอยู่ในโต๊ะเป็นนายอำเภอคนนั้นคนที่มาแล้วก็ มารายงานค่าก็มีแต่บอกแนะนําเขาเท่านั้นะค่าก็ข้าพรเจ้าได้เงินมากกว่าสู้เจ้าอีกสรุปแล้วก็คือการหาเงินมันก็มีมากหลากหลายอันที่ก็เหมือนกันครูบายการหาธรรมะเข้าสู่จิตใจบางองค์ก็ได้ทางหนึ่งแต่ก็คือได้เงินเหมือนกันเพราะนั้นเราจะยึดองค์ไหนเป็นหลักทุกวันนี้พวกเราเป็นศิษยาณุศิษย์ ของหลวงปู่มั่นเราก็ต้องยึดตามแนวแถวที่หลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนเพราะเรามั่นใจแล้วว่าครูบาอาจารย์ที่ได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนมานั้นเป็นพระอริยะบุคคลเมื่อท่านหลวงรับไปอธิษาานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นอยู่แล้วเรามั่นใจว่าทำคําสอนของหลวงปู่มั่นพาดําเนินมานี้ไม่ไม่ผิดแน่ ให้พวกเรามั่นใจอย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างนี้นะให้พวกเราคิดนะไม่ให้เชื่ออย่างเดียวนะอย่าเชื่อถ้าไปเชื่อไปเลยโง่ต้องคิดซะก่อนใ่ตรองซะก่อนแล้วก็ลงมือปรับปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าลงมือปฏิบัติแล้วเห็นผลนั่นแหละจึงจะให้เชื่อถ้ามัลงมือปรับปฏิบัติไปแล้วมันเป็นแปลกไปอย่างอื่นเอา้าศึกษาใหม่เราอาจจะทาผิดก็ได้ เอาจลเอาอาจจะทำไม่พอก็ได้มันมีตังเยอะแยะไปเหมือนกับทนทาวิชาอาชีพเดียวกันนะบางทีบางคนก็รวยบางคนก็ล่มจมจีพายไปก็มากต่อมากที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ท, ทำไมมันทาไมไม่รวยเหมือนกันมันอาจจะเดินทางผิดในจุดใดจุดหนึ่งในการดาเนินงานของเร า, เามันจึงไม่ราบเรืง่งเหมือนกับคนที่เขารวยไปแล้ว อันนี้เราก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกันเพราะการศึกษานั้นไม่มีที่สิ้นสุดเ ม, เมื่อเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายังเป็นยังเป็นเสขะเสขะปือผู้ผู้ยังต้องศึกษาเดี๋ยวพระเสขะอาเสขาผู้ไม่ต้องศึกษาคือพระอรหันต์จบแล้วบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วเป็นว่าเป็นพระเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้ว คบถวนบริบูรลณ์ละกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจสัตหลักทิ้งหมดแล้วอันนี้เรียกว่าพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาแต่นอกจากนั้นลงมาแล้วต้องเป็นพระเสขะจะต้องศึกษาเรื่อยๆอศึกษาเรื่องนั้นศึกษาเรื่องนี้นดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้อตั้งแต่เรื่อง เ, อเป็นครวญญาจวงว่าแต่เรื่องทาน เ, เราจะมองข้ามไม่ได้เราอยู่ในชุมชน ถ้าเราไม่มีน้ำใจเป็นยังไงไม่มีการเสียสละให้แก่ใครเป็นยังไงรอบด้านรอะเรามีแต่อริมีแต่ศัตรูทั้งหมดไม่มีความให้การสนับสนุนเราไม่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าเรารวยขึ้นมาก็มีแต่คนกันแกล้งมีแต่คนอิจฉาพยาบาทเราจะหาความสุขได้เหรอเพราะนั้นเรื่อง ก, การเสียสละการมีน้ำใจก็ต้องมี จากนั้นกับเรื่องศีลก็ต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเราอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบไปสอนคนอื่นลูกน้องบริวารให้อยู่ในกฎในระเบียบนะถ้าอยู่ไม่อยู่กันกฎระเบียบอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอันนี้เราก็เข้มงวดกวดขันจากนั้นแนวความคิดอีกคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิเราต้องดูอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือให้ศึกษา แล้วก็วิเคราะห์อแก่นการกรองไตรตรองจากนั้นลงมือ ป, ปฏิบัติ ป, ปฏิบัติตามทำคําสอนนั่นแหละจะเป็นสมบัติของตนเองแต่ว่าพวกเราไม่ทําอย่างนั้นเลื่อนๆลอยๆเลอะเลือน ๆ, ๆ, ๆแต่ละวีแต่ละวันเป็นคนหลักลอยเป็นฆราวาสก็เป็นคราวาสหลักลอยเป็นพระกับพระหลักลอยเป็นนาคกับนาคหลักลอยเป็นพระใหม่พระเก่าหลักลอยทั้งนะั้น มันไม่เกิดประโยชน์หลักลอยแล้วเฟืองคว้างเอหาจุดยืนไปได้เพราะฉะนั้นพวกเราให้เข้มแข็งนะพราะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยเข้มแข็งให้มีจุดยืนเอออย่างพระพุทธเจ้าเราออกจากเฟืองวังในครั้งนี้เราจะไม่กลับมาอีกโดยเด็ดขาดนั่นแหละจากนั้นเรานั่งขณะนี้เรานั่งภาวนาขณะนี้ เราจะไม่ลุกเด็ดขาดจนกว่าเราจะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณความในพระพุทธเจา้าท่านพิจารณาการกรองไตร่ตรองด้วยเหตุผลแล้วท่านเด็ดขาดอย่างนั้นพอท่านพวกเราถึงจะไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ได้สักเชี่ยวหนึ่งก็ยังดีนะอันนี้มีเลาะเละเละเละละเละเลาหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้ เดี๋ยวก็จะเข้าบ้านเดี๋ยวก็จะออกมาวัดเดี๋ยวก็จะวัดเดี๋ยวก็จะจ้บวชเดี๋ยวก็ใหมจ่จากจะบวชไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเองขาดการขาดความเชื่อมั่นในตนเองเพราะนั้นต้องฝึกหัดนะไม่มีใครที่จะสอนเราได้ในจุดนี้เราต้องสอนเราถ้าเราไม่สอนเราแล้วถ้าเราไม่สอนเราแล้วใครจะมาสอนเราสอนให้ก็ไม่เอาถ้าถ้าตัวเองไม่สอนตัวเอง เ, อเหมือนกับ หลวงพ่อพูดไปนี่ก็เหมือนสาดน้ําใส่หลังหมาอย่างนั้นพวกเราลงไปในลงลงนะสาดน้ําใส่หลังหมาไอ้แบ๊กไอ้บอดสเป็นที่ของเปรยไงทดลองเลยพอสาดเข้าไปมันก็สั่น <c oughs> แล้วก็จบมันก็เดินหนีดุยดุยดุ ย, ดย <c oughs> จับมาสาดอีกแบบอีกอ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนขนาดไหนถ้าสู้เจ้าไม่ได้ใส่ใจพวกเราไม่ได้สนใจ ไม่ได้ฟังให้ลึกซึ้งเมื่อได้กานกรองไตรตรองเหตุและผลแล้วอหลวงพ่อจะศาสตร์ขนาดไหนก็เถอะเหมือนกับศาสตร์น้ำใสหลังหมาอย่างนั้นนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายาในเมื่อรับการศึกษาแล้วหลวงพ่อทำไมโง่นักถ้ารู้จักศาสตร์น้ำใสหลังหมาเอ้ยใช่หมาบางตัวมันอาจจะศาสตร์ไปแล้วมันอาจจะไม่สบัสดก็ได้นะมันต้องการความเย็นไวแล้วมันก็ค่อยเดินไป จนมันแห้งกับตัวของมันอาจจะมีอยู่ยงั้นหนละลงพ่อกรไดิษฐ์ศาสตร์ไปอย่างนั้นเนะอางั้นแต่ละวีแต่ละวันพวกเรารับพรอนโอนมทนาให้พร